เพื่อที่จะชี้แจงเกี่ยวกับการปฏิบัติการใช้ชีวิตประจํำวันเพื่อให้เราเป็นนักปฏิบัติสมบูรณ์ยิ่งขึ้น ท, ที่จะเป็นนักปฏิบัตินะั้นก็ต้องเรื่จากการแก้ไขประพงศ์ตนเองเกี่ยวกับการใช้ชีวิตประจำวันให้เป็นผู้ที่ช่วยโอกาสหาเวลาให้แก่การเจริญสติ จะดูทางตาจะได้ยินทางหูบางทีก็ต้องพยายามอย่าอย่าให้มันหมดเนื้อหมดตัวเพราะสิ่งแวดล้องให้เป็นหน้าที่เป็นเรื่องของสติโดยจะแก้รู้จะไขปรับปรุงแก้ไขเปลี่ยนแปลงให้มีสติอยู่เรื่อยไปไม่ใช่ว่าจะอยู่ในเส้นทางการเดินจงกรมสร้างจังหวะเท่านั้นแต่เราจะไปไหนก็ตามไปอาบน้ำมาทานอาหารที่ศาลา เห็นหมูเห็นมิตรพูดจปาปลาใสก็พยายามมีสติถ้าไม่มีสติอย่าไปพูดเพราะว่ามันจะไม่ต่อสติไม่ต่อไม่ยาวมันก็ขาดกระท่อนกระแทนมันก็ไม่แก่กล้าเมื่อมันไม่แก่กล้ามันก็ไม่ทนทานศีลก็เกิดแต่ยากสมาธิก็เกิดแต่ยากปัญญาก็เกิดได้ยากที่พ <c oughs> ัดป่าสุก โ, โตเนี่ย ใครก็รู้จักว่าเป็นสำนักปฏิบัติธรรมถ้าคนมาอยู่ที่นี่เขาก็ให้ศิกเต็มที่ผู้ที่จะเจริญสติไม่มีใครที่จะไปเรียกล่องให้แรงงานหรอกจะไปคิดจะไปแบ่งเกลงอันนั้นอันนี้อันนั้นไม่ได้ทำอันนี้ไม่ได้ทาอย่าไปคิดขอให้เรามีโอกาสเจริญสติเต็มที่วิธีใดที่จะทำให้เรามีสติเอาลงไปวนขวยลงไป การเดินจงกลมอยู่ในกติการสร้างจังหวะอยู่ในกตินั่นเป็นเป็นราบของเราแต่เวลาใดที่เราออกหนีจากที่อยู่ของเราอาจจะมาชั้นอาจจะไปทำวัดอาจจะไปไหนมาไหนครบหนูคบเม็ดนั่น น, น, นั่นเป็นช่องโหว่เป็นช่องว่าอาจจะหลุดอาจจะหล่นไปขณะนั้นก็ได้เราก็พยายามจานั่นแหะยิ่งระมัดระวัง ถ้าพูดก็พูดแต่พอประมาอย่าให้เกินอย่าให้หลงแม้แต่ความคิดเรื่องนั้นเรื่องนี้ก็อย่าประมาทถ้าคิดแล้วมันต่อเป็นเรื่องเวลาเป็นสังขารตรงแต่งไปหยุดมาสร้างจังหวัดตัดหน้ามันเลยรู้สึกละเล็ดลอดันทีมันจะกลับมามันจะมีมันจะตั้งหลักใหม่มันจะมีหลักฐานมัน่นคงอีกอไปกับมันรู้สึกละเล็ดลอ้ ทิธ ท, ที่เราทำเนี่ยโอ้มันดีเหลือเกินการสร้างแต่หวะการเดินจกกงกรมช่วยเรามากช่วยสติให้คืนเข้มได้ดีที่สุดกําหนดการเดินจงกรมการหนดกําหนดการสร้างจาังหวะนี่เป็นพี่เลี้ยงเราอย่างดีเป็นสิ่งไว้ล่องแจรสติอย่างดีที่สุดเพราะฉะนั้นวิธีที่เราจะเป็นนักปฏิบัติสมบูรณ์จริงๆเราก็จงพึ่งตนเอง มีความมั่นใจเช่นเรื่องที่เรามอบให้การเจริญสติทุกคนก็รู้จกักเลยว่าโอ้สติคือความรู้สึกระลึกได้โอเรามาสร้างตัว оту, รู้สึกระลึกได้ดดนี่เองเาจะไปไหนมาไหนเราก็พยายามรู้สึกระลึกได้นี่ให้ไปอยู่กับอันนี้ให้อยู่กับอันนี้ไม่ใช่อยู่กับคนเื่นไม่ใช่เพื่อนคนเดิมโอถ้าเรามีสติรู้สึกระลึกได้เราอยู่คนเดียวก็รู้สึกระลึกได้ ถ้าอยู่กับโมกมิตรก็รู้สึกละเล็ดได้ตัวรู้สึกละเล็ดได้ถือว่าเป็นคู่ชีวิตกันเราเป็นคู่เป็นเป็นกัญญาณมิตรกันเราอันกัญยาณมิตรเช่นหลวงพ่อท่านชานคุณรองมิสกี้หรื อ, อมุทิตาอันนั้นก็เป็นอีกส่วนประกอบแต่กัญยาณมิตรจริงๆเนี่ยคือความรู้สึกระเล็ตาให้ ทำอยู่นี่ให้พบกับอนีรพบปะกับสิ่งเหล่านี้ตลอดเวลาเมื่อเรามีสติมีความรู้ถึงรู้ได้สิ่งต่างๆก็สงบปกติภาพเรื่องตาเรื่องหูเรื่องจมูกเรื่องเล่นเรื่องกายเรื่องใจมันก็ถูกสํารวมลงไม่ยืดไม่ยาวมันมื่อก่อขณะที่เรากําหนดบริบทกายเคลื่อนไหวมีสติรู้สึกรู้ได้เนี่ย มันผ่านอะไรมาเยอะแล้วนะเว่าที่เราจะมารู่ตัวกับอริบุตรที่เราทำมันมันผ่านมามากผ่านความลังเลสงสัยผ่านความคิดบุ้งสร้างอผ่านความไม่ตกกังวลที่เราเคยคินเคยไหลเคยอยู่กับเขามามากำหนดกายที่มันเคลื่อนไหวมันมันเป็น มันเป็นสิ่งที่ดีแล้วนะเราให้พยายามยินดีโอ้ขณะที่เรารู้สึกตัวเนี่ยโอ้มันดีแล้วมันถูกแล้วมันเป็นมรรคแล้ว ก, ก็ว่าได้มันเป็นศิลแล้วก็ว่าได้แต่เป็นกําเนิดของศิลเล่นน้อยเราก็พยายามทะนุถนอมรักษาเนีไว้ให้รู้สึกเล่นได้เมื่อเรารู้สึกแล้วก็ใต้อยู่ น, น, นานๆกายก็ปกติใจก็ปกติเมื่อกายปกติใจกปกติตาหูจมูกลิ้น รูปลดตลิ่นเสียงลมสัมผัสก็ปกติลงปกติลงเมื่อมันปกติอยู่กับความปกตินั่นหนามันจะเห็นความคิดชัดเจนมื่กันน้าที่มันเน่งอยู่นั่นหนาเมื่อมีอะไรอยู่ในนมม้ำเมลาเดลเล็ตขึ้นมาเขารูปทันทีตอนที่เราจะไปเห็นความคิดมันต้องอยู่กับภาวะนี่นั่นหนาถ้าเราอยู่กับความคิดมันก็ไม่เห็นความคิดมันกันน้าที่มันมีขึ้น มันมีเคลื่อนตลอดเวลาเมื่อมีปลามันอยู่ที่นั่นมันเคลื่อนมันไหวเราไม่รู้จากมันไม่รู้จากมันว่ามันมีสัตว์ประเภทใดบ้างอันนี้ก็เช่นกันการที่เรามีความรู้สึกรู้ได้อยู่มันผกสํารวมลงอายจตอายจตนะทั้งหมดสัสมลูมลงสําลูมก็ปกติเมื่อปกติก็อะไรแหละเขาลู่ทันทีง่ายที่จะลู้แล่อะไนง่ายที่จะคิดง่ายที่จะลู่ง่ายที่จะกรอบมาคิดนิดหน่อยก็ลู่ทันที อนนี้บางทีมันชิดมากสิบนาทีห้น า, นาทีไม่รู้เลยชิดไปนั่นพอเราบังก็น่าที่มันขึ้นไม่รู้สึกตัวเพราะฉะนั้นเนี่ยการเจริญสติมันถูกสํารวงลงสำลวงลงสำลวงปกติปกติมันจะเห็นความคิดชัดเจนเมื่อเห็นความคิดชัดเจนมันก็รู้สึกว่าโอ้นี่เป็นโกูกนั่นเป็นนา น, นั่นเป็นตัวคิดนี่เป็นตัวรู้สึกมันจะเห็นชัดเห็ชัดเห็นชัดมันก็ตาเราเนี่ยมองอะไรชัดไม่สลึมสลึม มองเห็นได้ครับสําเร็จประโยชน์ไม่ลังเลสงสัยถ้าตามัวไม่เห็นเออใครน้อเลแต่คนมองไวหมคนมุทิตาไหยตานม่ดีจะเกี้ยไหมตาไม่ดีาดถามคนนั้นคนนี้เป็นใครคนนั้นเป็นใครสงสัยอยู่ตาในเราได้เข้ามากันถ้ามันชัดเจนได้คําตอบมานี่คิดนี่สังขาร น, นี่สมุทยัยนี่ทุก น, นี่ความโล่งนี่ความโกรดนี่กิเลสตนานาัณหาราคะโทสะเห็นชัด คนอยู่กับทุกข์ไม่เห็นทุกคนอยู่กับความคิดไม่เห็นคิดคนอยู่กับความกิเลสตัณหาไม่เห็นกิเลสตัณหาเพราะมันไม่เคยสงบมันก็มองไม่เห็นนึวกว่าเป็นอันเดียวกันทั้งหมดวิธีที่เราทําำนี่มันถูกต้องอะไรให้พอใจมั่นใจเถอะมั่นใจมีจริงพระพุทธเจ้ามีจริงพระธรรมมีจริงมรรคผลนิพพานมีจริงขอให้เราเริ่มต้นตรงนี้ให้ถูกอันนี้เป็นเป็นบาตรฐานที่เราจะต้องทำกัน คือการเจริญสติเนี่ยตัวความรู้สึกเลืน่นใต้นจะสร้างความปกติความรู้สึกเลื่นใต้จะสร้างความหลุดพ้นในใจตัวเรามันต้องเริ่มต้นจากนี้ทั้งหมดการจะแก้ไขจการจะแก้ปัญหาต่างต่างๆต้องตั้งต้นจากการเจริญสติคือความรู้สึกเลื่นใต้มันจะสร้างเกิดความปกติอยู่เสมอ ะนั้นให้เราจินตีให้เราสร้างตัวนี้เป็นบาดฐานเบื้องต้นเป็นหน้าที่ของเราโดยตรงส่วนความรู้ความสงบความอะต่างๆที่เราเรียกล่องอันนั้นไม่ใช่นะเราจะไปเรียกล่องมันไม่ได้เช่นความหยุดความเย็นความหลุดพ้นเราจะเรียกล่องเราจะคิดเอาไม่ได้เราจะไปทําอดื่นก็อาจจะไม่ถูกเรามาเจริญสติสัมปชัญญะรู้สึกรู้ได้นะ เป็นเป็นกรรมเฉพาะหน้าโดยตรงเป็นบุพภกิกต์บุพภกรเบื้องต้นเราจะต้องทำเป็นเราทำตัวนี้ก็เท่าเราท ำ, ทำทั้งหมดหรือพูดเดียวหนึ่งก็ได้พูดแม่แต่การทำบุญการรักษาศีลการสร้างกุศลการให้ทานการเจริญภาวนานก็คือการเจริญสตินี่เองมันครอบจกักรวาลไม่ได้ไปทำมากมันอยู่ในวงเล็บ ละมือเดียวเป็นสิ่งที่เราต้องรีบด่วนเป็นสิ่งที่เราจะต้องก่อนให้มาก่อนให้ทําก่อนเป็นเอกเนี่ยมาก่อนให้สติสมัชัญญาเนี่มาก่อนทําก่อนอย่างอื่นก็ตามมาง่ายถ้าไม่มีสติอยา่างอาื่นก็้ามายากศีลก็มายากสมาธิก็ยากปัญญาก็กยากความดุขพ้นก็ยากความปกติก็เกิดได้ยากถ้าไม่มีสตินะที่พูดมานี่ นี่ปัญหาอะไรคนที่จะถามน้องพ่อบ้างก็ดีนะ